กิมิลสูตรว่าด้วยพระกิมิละเก้าร 86, ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าไผ่เขตเมืองกิมิลาณที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระกิมิละมาตรถามว่ากิมิละ อาณาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสง์มากเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้ท่านพระกิมิละได้นิ่งเฉยแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระกิมิละมาตรัสถามว่ากิมิละ อาณาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจรึงมีผลมากมีอานิสง์มากแม้ครั้งที่สามท่านพระกิมิลัก็ได้นิ่งเฉยพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้ท่านพระ อ, อ น, นุนได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาค ถึงเวลาที่พระองค์จะพึงตรัสอานาปานสติสมาธิข้าแต่พระสุคตถึงเวลาที่พระองค์จะพึงตรัสอานาปานสติสมาธิภิกษุทั้งหลายได้สดับจากพระองค์แล้วจักทรงจําไว้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนนถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว ท่านพระอานนทุนรับสนองพระดํารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนท์อานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดี นั่งคูบัลลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกอาณาปานสติสมาธิที่ภิกสุเจริญอย่างนี้แล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 มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกได้สสมัยใดภิกษุสำ เ, เ, เนียกว่าจะรู้แจ้งปีติหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้แจ้งปีติหายใจออกสำเนียกว่าจะรู้แจ้งสุขหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้แจ้งสุขหายใจออก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 มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้สมัยใดภิกษุสำเนียกว่าจะรู้แจ้งจิตหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้แจ้งจิตหายใจออกสำเนียกว่าจะยังจิตให้บันเทิงหายใจเข้าสำเนียกว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจออก สำเหนียกว่าจะเปลื้องจิตหายใจเข้าสำเหนียกว่าจะเปลื้องจิตหายใจออกสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ข้อนั้นเพราะเหตุายเพราะเราไม่กล่าวการเจริญอนาณาปานสติสมาธิไว้สำหรับผู้หลงลืมสติ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 สำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความดับไปหายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสลละคืนหายใจออกสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่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 กำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกได้อาโนนดินกองใหญ่ที่ถนนใหญ่สีแยกถ้าเกวียนหรือรถผ่านมาทางทิศตะวันออกก็จะกระทบดินกองนั้นถ้าผ่านมาทางทิศตะวันตกถ้าผ่านมาทางทิศเหนือถ้าเกวียนหรือรถผ่านมาทางทิศใต้ก็จะกระทบดินกองนั้นแม้ฉันใด ยิสุเมื่อพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ก็ดีชื่อว่าย่อมกําจัดบาปอากุศลธรรมได้เมื่อพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเมื่อพิจารณาเห็นจิตในจิตเมื่อพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายก็ดีชื่อว่าย่อมกําจัดบาปอากุศลธรรมได้ก็ฉะ น, นั้นเหมือนกันกิมิลสูตรที่สิบจบ เอกธรรมวักที่หนึ่งจบ